เ็นยังงกันบ้ากไปกินบาแล้วรู้สึกยังไงมีอะไรเกิดข้นที่เราเห็น ได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาความเงินไปเองได้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเินซึ่งนะอีกสนะี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไปกับอะไรลองคิดแต่ไม่เปมัว่วเก่งไม มีน้อยมีน้อนนะกระจายวหกสิบเปอร์เซนก็ดีอยวนะเดีะยวแต่บางคนก็อาจจะดับไปบ้างเมื่อใดนะเป่นขึ้นมาก็ทำต่อนะอ่าก็เป็นไรบางที ก็แพ้ไปบ้างนะแต่ตื่นขึ้นมาก็เอาใหม่นะคือบางคนฝืนได้นะฝืนมันก็ง่วงนะแต่ก็ยกมือไปก็คือประมาณว่าแหละผวม่วมมงก็ก็กินเดาไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะสมมติแต่พะพอกมาไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นะแต่ก็ยังเน่ฝืนได้นะสามสิบปอร์เซ็นะ อ, อันนี้ก็ยังดีนะดี แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยบางทีก็ดูดออกมาจากเงนได้นะอือบงทีก็ทำไปก็เบื่อนะเบื่อแล้วก็สงสัยทำแล้จะได้อะไรนั่นนี่อะไรอย่างแต่ทุกครั้งที่เรากลับมายกมือใหม่หนระือกลับมาเดินจังกรใหม่กลับมาปฏิบัติทั้งใหม่อันนี้ก็ถือว่าเรา เราก็ชนะมาแล้วนะดังนั้นจะชนะความความเบื่อในใจช น, นะความสงสัยช น, นะความคิดก็กลับมากลับมาทำใหมอันนี้แหละเนะี่ยคือคือพัฒนาการคือสิ่งที่เราทํานเะี่ยแต่ถ้าเราแบบสงสัยแล้วก็คิดเลิกทาแล้วเบื่อก็ไปทําอย่างอื่นแล้วเนะ มันก็ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมเหมือนในชีิตประจำวันบางคนอะ่ะบางคนพอเบื่ออย่างนี้ก็ไปทำอย่างอื่นไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปเดินช้อปปิ้งไปทำอย่างอื่นโอกาสที่จะรู้สึกตัวในในคนนั้นจะ น, น้อยจะ น, น้อยมากแต่ยัง่าถ้าเรากลับมาทำใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกตัวได้ในบ้านลงไปบ้านะไม่เป็นไร ใครใครสนใจใครมีปัญหาอนนะไรก็เชิญนะจะทานก็เชิญจะตึกไว้ว่าใครทาน พอทไปพอไปสัดระยะหนึ่งรู้สึกใจดีอ่ะแต่ปกติหนูเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยจะจะรู้สึกอดโปแบบนี้แต่นี้เต้องหยุดไปดูลมหายใจอย่างเงี้ยเรากลับมาทาใหม่จะจรู้สึกว่ากพอทาไปพอสัดครึ่งชั่วโมงเงี้ยพอพอหยุดไปแรมันเบาขึ้นใช่ไหมอือก็หยุดไปดูลมหายใจอย่างนี้แทนนะใจเบาขึ้น อระพอิบทำใหม่ก็หนักเองก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นตลอดแต่ว่าถ้าทำไประยะไม่ต่อแบบ น, นานเกินขึ้นชัออ่วโมงเนี่ยพ อ, อ, อลองดูบางทีอาจจะตั้งใจไปสักหน่หอยที่จริงเอ็นยงทีง่ฝึกครั้งแรกมอนคือฝึกวันแรกบางทีก็อย่างนั้นแหละคือบางที เรายังวางใจกับกับท่าทางยกขึ้นมือหรือว่าการเข้าไปรู้ความรู้สึกอาจจะยังวางใจไม่ถูกมันก็เลยเป็นแบบนั้นบ้างบางทีก็ต้องใส่เวลานะใส่เวลาว่าเออทำไปแล้วก็ต่อไปมันจะค่อยๆปรับเองพอเรารู้สึกเอ๊ะมันมันหนักสมมติมันหนักฮะเดือดรองยกแค่นี้มันเบาขึ้นเลยนะลองดู หรือใจบงทีก็ตัวนี้ใจมันหนักก็อาจจะปรักหายใจเสริมให้สบายขึ้นไม่ไม่ได้ว่าต้องหยุดยกมือก็ได้นะหายใจเสริมให้มันสบายขึ้นสักหน่อยแบบนี้ก็ได้หรือบางทีมันหนักมองมองต้นไม้คือไม่ต้องไป ไม่ต้องไปคร้ายๆไ ป, ไไปตั้งใจกำหนดที่ที่ข้างในมากก็ใจออกไปมองต้นไม้มองปกุตูลูกอะไะเมันก็เป็นการเสิน ม, มนะดีเหมันเหมือนแบบนี้มากไปก็ผ่อนออกไปแต่ไม่ได้หยุดก็ได้นะแต่นอกจากว่ามันตึงมากๆตึงมากๆปวดหัวแน่นมากก็หยุดไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นแทน แต่ยอมก็ลองดูถ้าโยมเล่นเล่นโยคะประจำนะก็มันก็นกดีเพราะเราจะเป็นคนฝึกการสังเกตร่างกายได้ได้ชัดนะเวลาเราเล่นโยคะมันทําให้เราเห็นเห็นร่างกายการตึงการหย่อนของร่างกายได้ชัดขึ้นเราก็ดูเอาอาศัยคะแน น, นมาสังเกตดูก็ได้จะเห็นว่าถ้าเราจะฝึกสติในในโยคะ อาจจะลถการกำหนดกาหนดคล้ายๆความรู้สึกที่เข้าไปเข้าไปรู้แบบน้อมเข้าไปอยู่ในในในทา่าทางการเคลื่อนไหวหรือว่าในลมหายใจที่มันประสานไปกับกับท่วงท่าของโยคนะเนี่ยถ้าเราเพียงแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกแต่ไม่ใช่แบบ เข้าไปรู้สึกแบบมากๆเลยนะคือรูอ้อะไรแบบเหมือนเนี้ยไปมันจะมีสติมากเพราะบางทีโยคะหรือว่าไทยเก๊กหรืออะไรต่างๆนะมันมีหลายแบบมากขึ้นบางแบบมันเป็นเน้นเน้นตัวสมาธิเน้นตัวสงบแต่ที่จริงแม้แต่ปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็จะเป็นสมาธิมากเกินไป เห้มันทีทันนะทำแบบลมฟานก็ได้นะทำไปแล้วแบบกลายเป็นพลังไดนะ้มันก็ไม่ใช่อยู่ยที่ว่ารูปแบบเราทำเราทำอะไรหละกมันอยู่ที่การวางใจการวางท่าทางของเราทำแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็สังเกตถ้าเราจับจับตัวนี้ได้ เราไปทําอย่างอื่นไปเล่นโยคะไปออกกำลังกายไปทําอย่างอื่นนะมันก็จะอ๋อมมันจะจับได้ว่าแบบนี้มันพอดีแบบนี้พอดีแบบนี้มันพอดีด น, น, อดนะ <c oughs> แต่พอดีสําหรับเราอาจจะไม่พอดีสําหรับบางคนก็ได้นะ <c oughs> มันไม่เหมือนกันอย่างตอนนักแรกมาก็สังเกตสงสัยอยู่บางทีอย่างเห็นครูบาอาจารย์ที่ที่เรานับถือนะ บางทีแค่ยกมือบางทีก็ทา ไ, ไม่เหมือนกัน mm hmm. อย่างหมอนวดเทียนเวลาท่านถ้าเห็นในวีดีโอเราไม่ได้เห็นในตัวจริงนะท่านจะทําค่อนข้างทึงขันแล้วก็ช้าพอสมควรแต่มาทำแบบหมอกวดเทียนมาอึดอัด mm hmm. ไม่ใช่ว่าท่านทําผิดแต่เราทําแบบท่านเราเราไม่สบายแต่มาแบบ เห็นทำแบบหลวงพ่อต้องเขียนแค่ใค ร, รือดูด้วยหลวงพ่อต้องเขียนทำ <c oughs> มาชอบทํานี้อยู่แต่แตแตทำไมต้องไปทาขนาดหอวงพ่อบางทีมันก็เบาๆนี้แต่บางทีก็ทำเอาแบบที่ตัวเองรู้สึกพอดีอตัวเองหรือเ็เห็ น, น, นอาจารย์พลอาจารย์คลแต่สุณใอาจารย์ไม่ได้ค่อยนั่งยกมือเนี่ยแต่ใหญ่เล น, น, นอนแต่นอนก็แบบค่อยตัง้งใจนะ ทำเลยไหมคือข้าง น, นอกอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเหมือนกันคือคือความรู้สึกที่มันคล้ายๆมันไม่หนักเกินไปสำหรับท่านหมคิดว่าียอ จ, จะทําแบบนี้ท่านรู้สึกไม่หนักมันพอดีสำหรับท่านตัวรู้ ท่นเด่นเห็นการเคลื่อนไหวแต่บางทีพอคนทําแบบนี้แล้วตัวฮือไม่เด่นตัวจ้องมันเด่นตัวจ้องมันเด่นมันก็อึดอัดใช่ไหมแต่บางคนไปแคะให้ทําแบบหลวงพ่อมเขียนก็ฟุ้งนะบางคนเพราะมันถอนใจ mm hmm. ม่วงฝุ้งแต่หลวงพ่อเป็นคนไม่เคยเห็นหลองพ่อม่วงแบบฮาวนอนเลยนะอยู่หลวงพ่อคือกลางวันอ่ะนะไม่เคยเห็นกลางคืนก็ ก็ไม่เคยเห็นเห็นก็หลับเลยเลยคือหลวงพ่ออาจจะเป็นคนค่อนข้างตื่นอยู่เป็นปกติท่านทำอยู่ในช่องพิมพนงอไม่ซื้อแต่ก็เคยมีคนถามมาแต่งาเห็นหลวงพ่อทำหลวงพ่อหลับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามั่นใจบายจารย์แเราจะว่าท่านหลับอย่างไงแต่แต่ท่านก็แต่ทักษะท่านทำน่าจะเป็นแบบ ก็นนเป็นบุคลิกของท่านในเราเองก็ากหาหาแจงวะที่มันพอดีกับตัวเราเองแต่ลักสาคัญใส่ของพระเพียนอย่างหนึ่งถ้าถ้าหลักที่มันพอดีอ่ะมันจะมีการการหยุดด้วยแต่จะหยุดนานขนาดไหนเป็นเป็นความพอดีของเราเองนะไม่ใช่แักทำไปเรื่อยๆบางคนทำไปเรื่อยๆแบบนี้บางทีมัน ถ้าบ้านะมันพอดีนะจะมันพอดีแบบเพลินนะต้องดูว่าบางทีเราสนุกอะ่ะยกมือสนุกไม่หยุดเพลินๆไปแต่ถ้าแต่เราเคลียรพอดีมันก็ต้องมีหยุดบ้างก็จะหยุดนานหยุดเท่าไห ร, ร่ก็แล้วแต่เราแต่สังเกตบางทีบางคนทําแบบไปเรื่อยๆเป็นเพลินบางทีมั น, มนไม่รู้รู้อะไรเหมือนกันเร <c oughs> าก็มีรู้เขาแบบ เต็นเ อ, เองแล้วไงแล้วคนที่กทำสองกอาารรมฐานในเวลาเดียวกันเนี่ยพระอาจารย์บางท่านก็บอกว่าดีถ้าทําทได้แล้วไม่หงาะคือรู้ทางการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ลงบางบางครั้งไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะคะแต่ว่าบางท่านบอกว่าไม่สมควรทาเพราะว่ามันเหมือนการตีกลอ แล้วมันจะมนกับทําให้ไม่เห็นสภาว่าทำหรืออะไรก็ม่สร้างคือเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติมันมันเป็นสองระดับ ส, ดสองระดับนี้บางทีก็บางทีก็ไม่ใช่ว่าเราจะ เ, เดินแต่ระดับแบบวิปัสสนาคือดูอย่างเดียวบางครั้งสติมันชัดเราดูอย่างเดียวไม่ไปแทรกแซงเอาอย่างเดียว แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ดูอย่างเดียวแต่นั่นก็ได้นะเช่นทําไปมันง่วงก็ไม่ไปแก้อะไรหรอกดู ม, มันเฉยเฉยมันจะคิดก็ดูมาเฉยเฉยก็ได้แต่บางระดับสำหรับบางคนมันดูแบบนั้นไม่ได้ก็อาศัยกําหนดอย่างอื่นเข้ามาเสริมแต่ไม่ใช่เอาตาบอดนะไม่ใช่เช่มันก็ได้ฮะมั น, ม, นมันทําได้เจตา ม, มาว่า เราเอาอย่างอื่นมาเสริมเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกำลังสติเช่นตอนนี้นมันง่วงยกมือเฉยๆมันไม่ไหวหายใจเสริมเป็นการเรียกสติขึ้นกับลมหายใจเองนะเขาเป็นการเสริมแต่ไม่ใช่เป็นกำหนดพร้อมกันตลอดเวลาแบบนี้ได้แต่ถ้าบางคนเขาคิดว่าถ้าเขาดูไหว ไม่ต้องกำหนดลมหายใจเสริมเอาแค่นี้ก็ได้คือมันก็เลยมีสองระดับคือระดับหนึ่งคือเราแก้อโลมิด้วยแก้อลมเช่นมันม่วงมากเราก็แก้เปลี่ยนไปุูเพื่อนเปลี่ยนไปมองอย่างอื่นเพื่อแก้แต่ไม่ใช่หนีนะแก้เปลี่ยนตัวเสริมอันนี้ช่วยในระดับที่เราเพิ่มสมาธิขึ้น หรือว่าผ่อนกําลังของกิเลสสักหน่อยแต่ระดับหนึ่งถ้าวิปัสสนาเนี่ยดูดูอย่างเดียวหละอะไรจะเกิเดขึ้นไม่ต้องไปแก้มาดูทุกอย่างอย่างที่มันเป็นซึ่งอาจามาว่าที่จริงเราเวลาเราปฏิบัตินะเราจะเดินอย่างเดียวตลอดเลยก็ก็ไม่ได้ <c oughs> จริงๆนะจะเอาแบบวิปัสสนาดูทุกอย่างแต่มันเหมือนเราทํางานมากๆอะสุดท้ายมันคือเหนื่อย เห็นเห็นทั้งวันทั้งคืนเห็นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จิตแทบไม่ได้พักแหละไม่ใช่เหนื่อยสังเกตเมื่องทีเราดูเราดูร่างกายบางทีมันก็มีกําลังสมาธิให้มันได้พักความคิดมันอาจจะไม่มากเหมือนกับถ้าเราไม่ทําในรูปแบบบางทีไปเจออารมณ์ต่างๆความคิดความฟุ้งติ่งกระทบมันจะเยอะขึ้นถ้าเราไปไปดูแต่แบบนะตลอดมันจะเหนื่อย เวลาทางานแล้เราไม่ได้พักเลยทํางานแต่เช้าเป็นข่ําแต่บางทีทํำในรูปแบ่งมันได้พักบ้างบางทีหยุดเหมือนี่ยก็ได้พักนะหยุดทีนี้ก็ได้พักนะนนกกนะมมันไม่มันไม่กระทบอารมณ์มากเกินไปแต่เนี่ยอาจะมีตัวปุุงขึ้นจากข้างในมันก็เลยเหมือนทั้งสองอย่างคู่กันมาว่านะที่เปนสมาธิวิปัสสนามันคู่กันบางทีถ้าเรา จาหลักไม่ถูกว่าเราก็เร า, เราทำปรัชนาอย่างเดียวเลยบางทีมามันก็ไม่ถูกเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคงเขียนนะก่อนที่ท่านเคมายกมือท่านมีสมาธิของท่านเยอะนะเพราะว่าท่านเคยทําอย่างอื่นมาเยอะอย่างหลวงพ่อคงเทียนเคยพุดโทตั้งแต่อายุสิบเจ็ดจนถึงสามสิบที่มาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านมีสมาธิจากตรงนะ ไม่ต้องรีดเดียวไม่ต้องรีดแไม่ได้โด ง, ง่หนูเลยหรอกไปค่อยนะค่อยรู้ทิค่อยปิดมันไม่เป็นไรแต่แต่ที่หลวงพ่เทียนท่านจะย้ำคือสมาธิที่เราไปติดแช่นะท่านไมให้ไปไปแช่พักวันนั้นนานคือ ท, ทำไปแล้วก็ พอใจในความนิ่งในความว่างในความเบาของสบายถ้าแค่แบบนั้นแล้วมันจะไม่อยากไม่ขยันมันจะไม่ขยันที่จะรู้ตัวมันไม่อยากไม่อยากไปทําอย่างอื่นไม่อยากดูลมแต่งแต่พอนมาดูลมหายใจแล้วมันนิ่งแม้แต่หายใจช่วยังไม่อยากหายใจมันจะว่างว่างแล้วบางคนคิดว่าทําสมาธิแบบนั้นแล้วมันจะเกิดปัญญาเองแต่จริงมันไม่เกิด หลวงเทียนนะ่าก็เลยบอกว่าไอสมาธิแบบนั้นมันเหมือนเหมือนน้ําแข็งนะมันละลายมันไมใช่น้นํานี่เดี๋ยวมันก็ละลายแต่สมาธิที่เราทําบางทีเนะี่ยสมาธิที่เกิดจากการยกมือก็ดีหรือว่าการที่เรากําหนดอย่างอื่นเสริมก็ดีนะมันก็มีสถติอยู่ในนั้นอยู่มันทําให้จิตมันตั้งมั่นตื่นตัวขึ้นมีกําลังมากขึ้นนชัดขึ้นนะมีกําลังชัดขึ้นมันไม่ใช่แบบ นิ่งๆว่างๆซึมๆอันนั้นเป็นมิชฉาสมาธิแต่ถ้าสมาธิที่มันประกอบด้วยสติอยู่อันนี้นก็เป็นธรรมาสมาธิมีใคร สมาธิแบบนิ่งอย่างนั้นมาก่อนเลยถ้าเรามาทําแบบนี้เลยเนี่ยมันจะไปได้ไหมฮะอ๋อสมาธิแบบนิ่งเฉยเฉยไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่จำเป็นคือสมาธิที่นิ่งแบบนั้นมันมันได้แค่ความสงบได้ความสุขชั่วขณะแต่ที่จริงในนี้มันมีสมาธิประกอบอยู่แล้วนะคือเรามีสติแล้วจิตอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวเองปัจจุบัน มัเป็นทั้งสติแล้วก็สมาธิอยู่ในตัวแต่ไม่ใช่สมาธิเพื่อการนิ่งแบบนั้นนอกจากบางคนพอทําได้ก็อาจจะทําไว้พักผ่อนตอนที่ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเหนื่อยน อ, ยอ น, น, น, นะก็ทําเพื่อพักผ่อนแต่พักผ่อนแล้วก็ออกมาให้ได้นะไม่ใช่ดิแบแปอ่าแต่ไม่ไม่จำเป็นวนะ่าคือบางคนทําไม่ได้เพราะว่าจะดิบ จิไม่เหมาะที่จะทําก็ทําไม่ได้ก็มีก็ต้องทํำแบบนี้ไปแต่อาศัยว่าเราพักตบตบกายพักตบกายคือไม่ใช่ไปดูอาการของจิตตลอดเราพักกับเนี่ยรู้สึกตบกายเบาๆนะมันก็ได้สมาธิในการรู้ตรงนี้เป็นในตัวแต่มันอาจจะไม่ได้นิ่งมากไม่ได้สุขมากแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยมาก ถ้าเราจับจังหวะได้เดินเดินไปสักพักหนึ่งนะเดินสนุกเดินตัวเบาแต่อย่าไปติดมันแต่มันก็มีอารมณ์อารมณ์ปิดติดมันเข้ามาสายของก็อเทียนก็มีนะอารมณ์ปิดติเดินนะตัวเบายกมือแล้วเบาสบายอย่างนั้นมีแต่ไม่ถึงขั้นเกิดนิมิตแต่ถ้าแบบไปทาแบบหลับตานั้นนี่ยบางทีเกิดนิมิตเกิดแสงเกิด สีเข็นภาพนั้นนี่บางทีถ้าคนไม่ไม่รูตัวก็จะไปไปลงในนิดนั้นแต่ของสตนเพเร์เนตรงนี้ก็มีบ้างปิติเกิดขึ้นมาแต่เราอย่าไปปิดมันเข็นมันนะมันก็จะผ่านแต่ทำเล้มันมีนะมันมีมันเหมือนเป็นของของแถมเล็กๆน้อยน้อยจริงจมันก็ทำให้เกิดกาลังใจในการปฏิบัติ รใจในการปฏิบัติแต่อย่าไปคิดว่าอยากจะเอานะคิดอยากจะได้ไม่ได้มันมาตอนที่เราไม่อยากได้แต่มันได้แต่ได้แล้วเราอย่าไปติดมัน คือเวลาที่คือเวลาที่บอกว่าดูกายใช่ไหมคะแล้วก็ให้ชาเลือเห็นเห็นเห็นความรู้สึกของใจด้วยเนี่ยขคำระหว่างคําว่าดูเนี่ยโยงว่าบางทีมันยากว่าเรากําลังดูอยู่หรือเรากําลังตามไปแล้วอันนี้คือตายหรือว่าความรู้สึกของใจใจคือ เคลื่อนไหอยู่รู้แต่ว่าเห็นความคิดแล้วเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าดูความคิดหรือตามความคิดก็ถ้าถ้าสงสัยอยู่นั้นนะก็ทิ้งไปเลยอย่าไปไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์มันกรไม่กายถ้าสงสัยแต่บางทีที่มาบอกให้จสำรองดูบ้างไม่ไม่ใช่ไปดูตัวความคิดไปยตรงนั้นาทีดู ดูความรู้สึกว่าอืมไอที่เรารู้ว่าเรารู้สึกตอนนี้มันแน่นไปหรือเปล่าเช่นแบบบางทีมันบางทีเราไม่รู้ตัวเราก็ทําไปด้วยอาการที่แน่นๆแบบเกเกร็งเกินไปนะบางทีก็ต้องกลับมาสำรวงดูตรงนี้บ้างหรือบางทีเราเดินไปบอกเบาๆลอย ๆ, ๆบางทีมันเพลินไปประมาณนี้นนะแต่มันมันไม่รู้ตัวว่ามันเบาเกินไปอย่างนีน อกี้ไปต้องกลับมาสำรวจตรงนี้บ้างถ้าโยมจะพูดว่าถ้ารู้สึกคล้ายๆกับอะไรไม่ปกติกับปฏิกิริยาอย่างเดียวได้ไหมคะก็ต้องดูว่าไม่ใช่นี้นะมันไม่ได้หนีนะคือแค่กลับมาใช่ไหมใช่แย่างจะมาบางทีแบบนี้ทีแรกๆสงสัยเราปฏิบัติผูกหรือเปล่าวะนะ่าเนี่ยรู้สึกตัวหรือเป่านะดีไปคิดนะแต่บางทีก็อ้า ช่างของมันก็เหเอาแบบ น, นี้แหละคือกลับมากระทำเลยไม่รู้ว่าถูกรู้ผิดไม่รู้ช่างของมันก็เหมือนเนี่ยดูละดูละก็กลับมาดูดวงที่ปฏิบัติสร้างตัวรู้ตัวนี้แหละไม่ไม่ไปเอาประมาณนะี้จะถูกรู้ผิดในดีคือช่างมันเอารู้ตัวนี้หละอย่างบางทีเราดูใจไม่เห็นความคิดหรือว่าไม่รู้ว่าคิดมันดวงหรือรู้ก็ักไม่ไปหนไร เรามาตรงนี้แเดี๋ยวพอตกำลังสติมันมันตั้งฐานมากขึ้นท่านนี้มันหลวงพ่อคงเขียนให้ใช้ว่าเหมือนมันเป็นจักอะเจ๊เอะแบบพเดีย่ความคิดสวนขึ้นมาปุ๊บสติทานปักทะเรีลอันนี้มันมันจะไม่สงสัยแต่มันไม่ใช่จะจ๊เอะตลอดอกนะแต่มันจะเป็นบางขณะที่มันเข้าไปทันบางทีมันเหมือนรู้ไปแล้วเฉียดเลยนะเกือบไปถูกเลยนะ มันมันก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราจะไปทานตลอดแต่ถ้าสงสัยว่าเราต้องดูดสิเข้ามาเริ่มตรงนี้เลยหรือหรือบางทีดูแล้วมันมันไม่ขาดมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะก็น้อยเราก็รู้แล้วมันเกิดขึ้นมันไม่ดับไม่ดับเพราะว่ากำลังมันไม่พออ่ะเราก็สร้างกำลังของเราสปมันก็จะทำให้เราไม่ไม่ไม่ไม่ถูกมันดึงไปทั้งหมดแต่ เราก็สร้างกองกำลังเพื่อพั่วมันเยอะคือบางทีเวลาปฏิบัติธรรมบางทีมันมันไม่ใช่เป็นแบบเห็นไม่เป็นตลอดหรอกบางทีก็เป็นไปบ้างแต่แต่มันหลุดออกมาได้บ้างนะหรือเป็นนิดหน่อยหลุดนะก็ดูมันอยู่หรือบางทีก็อเป็นไปตะวันนานแล้วก็ค่อยดูตัวมันมีหลายระดับแต่บางทีถ้าสิ่งสําคัญนะก็อะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ รูเขาแล้วก็ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นก่อนเช่นตอนนี้หลงก็อยอมรับว่าหลงรู้ว่าหลงแล้วก็ตั้งใหม่คืออย่าไปโทษตัวเองนะเวลาเราปฏิบัติบาทงทีหลายคนมันชนะอยากจะถูกนะอยากจะไม่ผิดนะพอมันผิดนะมันจะมันจะไปติดกับดักความอยากของเราที่ที่ไม่อยากผิดเราก็เสียเวลาบางทีต้อง ครึ่งวันเนี่ยโอ้ไม่ดีแย่ yeah. ที่ที่ผิดที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ดีอย่างที่เราคิดอนะเสียเวลาเดีย๋ยวไปเสียเวลานา น, านเกินวินาทีสองวินาทีผิดแล้วก็ตั้งเลยไปเลยอตั้งเลยไปเลยไม่จะถูกก็เหมือนกันบางคนถูกแล้วก็ไปไปเสียเวลากับความดีใจดีใจที่รู้อะไนะดีใจที่ทํา ถ้ามันดีก็ไปเสียไปรังกันถูกก็วางเหมือนกันผิดก็วางเหมือนกันทางนี้มันก็เลยค่อนข้างรักเพราะว่ามันครูบาอาจารย์เล่นสอนให้ให้เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เหมือนจบมันเสียไม่ใช่ตั้งใจวางนะเป็นเหมือนเห็นแล้วก็จบเผื่อไปเรื่อยอืม มีอะไรไหมมีแต่เอาไปทำกันตอนะก็ลองทําให้มันบ่อยๆที่สุดเท่าที่เราทำได้มีเวลาทุกวันก็ทําในรูปแบบบ้างนตอนเช้าตอนเย็นทําในรูปแบบบ้าง แล้วตอนว่างตอนไหนก็ในเล็กน้อยนาทีสองนาทีก็ทำแหละมันจะเป็นนิสัยอแล้วก็คอยมันฝึกในกิจวัตรประจำวันกินข้าวเนะี่ยสามมือนะ้อเนี่ยมีเวลามื้อสิบนาทีสิบห้านาทีเนะี่ยวันหนึ่งก็เกือบชั่วโมงนะเต็นอาบน้ำแปรงฟันหรือเดินไปนั่นไปนี่เดินเข้าห้องน้ำจะเปิดประตูอย่างนี้นะ ลอสังเกตทีดูก็ได้นะเดินจะกลมอยู่ดีเขาจะไปเปิดประตูรีบไปไหนก็ไม่รู้นะเออนะคือมันก็จังหวะนั้นมันจะขาดติดเองจังหวะที่เราใจมันไปมุ่งไปเช่นใจเข้าห้องน้ำแส่นไปดึงนั่นละเราดึงตัวขณะที่เดินเดินตัวขนาดที่เปิดประตูนะหรือไม่แต่โทรศัพท์่ะมันตังก็ใช่นะ แ ต, แ, แ, แต่บทีเรสังเกตไหมบางกีเราก็รีบจังหวัดที่จะไปค้นหาโทรศัพท์แล้วก็ขาดสติแต่ถ้าเราอ่ะมันได้ยินละก็ทําไม่ใช่ว่าช้าเว็แบเบฉื่อยแต่ก็ไม่ได้ดนนารจนขาดสติลองดูจังหวัด ท, ที่โทรศัพท์ก็ดังเลยนะก็เป็นจังหวัดที่เราฝึกมีสติได้แต่ก่อนมาก็เห็นตัวเองนะตอนเป็นโยชนั้นแต่ก่อนโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยมี มีแต่โทรศัพท์บ้านตอนในเด็กแหละถ้าโทรศัพท์ดังก็วิ่งแย่งกันรับกับน้องเลยนะแต่พอได้อ่านหนังสือหลวงก็หลวปู่ติสนันทันนะท่าบอกท่านก็สอนไว้ในบทเช่นโทรศัพท์ดังเขาบอกเออให้มันดังก็สามครั้งก่อนมรเค่อยรับบางทีเราอยู่ใกล้อยู่นี่แหละแต่เราไม่ได้รับดังสามครั้งคืออปังเสียงมาสักหน่อยก่อน สามครั้งเราเคยลักมันก็ดีนะมันช่วยให้มันเราตัปงสติก่อนแต่ถ้าเรารีบฟว้าไปรับไปบางทีมันมันรีพู่หรือรีไปอะไรก็ไม่รนะเขาลองมาว่าพวกเนี้ยลองเลยง่ายหรือลายมันดังก็ไม่ต้องไปอ่านมันทุกครั้งก็ได้อะไรนะก็ให้มันไว้หน้าหลักก่อนถึงเวลาแล้วก็ไปไปอ่านมันให้พวกนี้ยมันคือเราอก คือโรคพวกงงนี้มันมันมีเครื่อง ม, มีตัวที่มันกระตุ้นให้เราขาดสติได้บ่อยแต่ถ้าเราเอามันนั่นแหละมาย้อนมาย้อนตั้งสติตัวเองเ mm. มืม่อกี้อเด็ะคิดอะไรไม่รู้โทรศัพท์ดังปุ๊บถ้าเราสุดไปบ่อยเราจะได้สติอ๋อโทรศัพท์ดังอืมแต่รับโทรศัพท์ก็ให้มี ส, สติมันจะเอามาย้อนสอนมันนี่แหละแต่ก่อนเราเคยขาด ส, สติประมาณอน น, นี้ เราจะมีสติระมันเราจะได้สติเยอะขึ้นมากในกิจวัตรประจำวันลองดูนะแล้วถ้าเราทำมันนี้นบ่อยการดูการเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวมันจะเห็นได้บ่อยแล้วก็เราจะรู้ทางความคิดเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อยปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะแต่มันจะเห็นกิเลสไ้บ่อยจนบางทีช่วง แ, แรก ไม่ใช่ช่วงแรกรอะช่วงกลางกลางแรกหน่อยกับถึงขัน้นต่างกลางมันจะรู้สึกมันจะมีอารมณ์หนึ่งคล้ายเหมือนเบื่อตัวเองเหมือนเบื่อโทษตัวเองหรือว่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มันรู้สึกทําไมเราเบลขนาดนี้ทําไมเราแย่ขนาดนี้อะไรนะโดยเฉพาะถ้าเด็กคนเป็นพระหรือเป็นแม่ชีหรือคนที่อยู่วัดจะรู้สึกมากเพราะมันให้เราเราของค้าเหลืองเรากินค่าชาวบ้านแล้วทําไมเรา คิดแบบนี้เรามีอารมณ์แบบนี้มันจะรู้สึกไม่มันจะรังเกียจมากจะดูดีไม่ดูดีมันและอายใจอยู่นมันจะเป็นอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเราวางใจได้แล้วก็เห็นเอ้ยที่จริงมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดแบบนี้หรืออะไรต่างไปมันมันมันมันโผล่ออกมาเองแ้วเราก็ดูมันแต่ตอนนั้นกาลังสติสมาธิมไม่พอเราก็เลยรู้สึกว่ามันแย่มันไม่ดีนะแต่จริงถ้าตั้งสติคอนมันจะเห็นว่า มันก็ตืิดออกมันเองต้องพักเราไม่ต้องทำอะไรมันก็หายไปไม่ได้ตั้งใจยากให้มันเกิดแต่ก็ไม่ตั้งใจยกให้มันดับมันก็ดับไปมัได้เห็นกิเลสเยอะมากกิเลสที่ไม่เคยเห็นหรือกิเลสบางตัวที่ไม่เคยรู้สึกว่ามันหนักขนาดนี้น่ะมันก็หนักเพราะพอเราตั้งใจมั่นกิเลสมันก็ตั้งใจมั่นขึ้นเหมือนกันนะ คือพอเราตั้งใจจะทําความเพียรต่อเนื่องตั้งใจจะเออจะเอาเงนเนี้ยเป็นเป็นงานกลางของชีวเรานะกิเลสมันก็เอาจริงเหมือนกันโยมมันเหมือน ใ, นใครถ้าใครไปเล่นเกมคือเหมือนด่านหลังๆนะคู่แข่งก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเราแบบแพ้ตั้งแต่ด่านแลรกเนะี้ยมันก็มันก็จบบนนันะ้นแหละง่วงนิดนึงก็ไปนอนแนละ้วมันไม่ได้เจออะไรมากตัว น, นี้หรอก เบื่อนี้นึงก็เลิกและ้ะไปทำํำอันอื่นแทนะะนะแต่ถ้าทนสู้ไปเรื่อยบงทีกิเลสมันก็แรงขึ้นไม่ใช่กิเลสมันแรงขึ้นหรอกกิเลสเขามีหลายระดับแต่เราไปเจอกิเลสระดับหยบหยาดแล้วก็แค้มันก็เลยไม่ไปเจอกิเลสที่มันละเอียดที่มันฟั น, นี่ขึ้นนั่นก็ถ้าเราเริ่มเห็นพวกนี้ยแปลว่าเราเริ่มเข้ามาถูกทานมันมากขึ้นนะ ยิ่งเห็นกิเลสที่ละเอียดจนเหมือนเป็นกุศลด้วยซ้ําเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ปานนี่ขึ้นเนะี่ยยิ่งยิ่งถูกถางมันยิ่งโอกาสไปหลงมันยิ่งเยอะแต่ก็ไม่กลัวนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆๆเห็นอนี่ยที่มาบอกตอนแรกบางทีไอ้ที่ว่าผิดแบบนี้แบบนี้ไอ้ที่ถูกมันจะกว้างหนยแต่พอไปเรื่อยมันจะเห็นว่ามาากกันจะค่อยๆประลอบเข้า แต่ตอนแรกมันไม่ทําไม่ได้ขนาดนี้แหละมันก็อันนี้มันตึงไปนี่มันหย่อนไปแต่พอไปเรื่อยๆอันนี้มันก็ยังตึงนิดๆอีกนั้นเนี่ยมันอยากเจริญความอยากอยู่นะอันนะ้อันนี้ก็อย่างเจริญความรู้สึกไม่อยากได้มันอยู่มนิดๆนะแต่ก่อนเะ่าจะไม่เห็นอ่ะแต่ก่อนภาวนาไปเรื่อยไปเห็นอะไรเล็กๆ น, อกน้อยๆที่มันเกิดขึ้นมันเจรเข้ามาอืมเดี๋็กตกใจนะพูดให้ฟัง เือไม่ได้เจอแตงกลองด้วยกันเขาเดินเมษาไม่ได้มาน่ะอือก็ก็เชื่อตเองหรือไปภาวนาที่อื่นก็ได้ที่จิงก็ภาวนาทุกวันแหละนะอือก็ฝากไว้